ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเจโตขีและสูตรมาถึงช่วงที่สงแสดงถึงเครื่องผูกพันใจห้าประการประการแรกก็คือจิตที่กำหนักในกามประการที่สอง จิตที่กำหนัดในรูปจิตที่ส า, าประการที่สาม mm hmm. ก็คือจิตที่มีความกำหนัดมีความพอใจและจิตดีในพวกอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็สรุปแล้วทั้งหมดเนี่ย แต่ที่จริงก็คือเป็นอารมณ์โลกเยี่งแต้ว่าลักษณะทางอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยคือจะมีความพอใจติดใจในอารมณ์ที่เราสัมผัสในแต่ละวันเนี่ยแนวนึงก็คือจะแยกส่วนหมายความว่าไม่ได้พอใจทุกส่วนของสิ่งเหล่า น, นั้นแต่ว่าพอใจในบางส่วนของสิ่งเหล่า น, นั้น อีกเร่อหนึ่งก็คือพอใจทั้งหมดในด้านไม่ความไม่พอใจก็จะมีลักษณะที่เดียวกันคือเราไม่พอใจแยกส่วนหรือว่าไม่พอใจทั้งหมดจะยกตัวอย่างว่าคนเนี่ยในงแง่ของความเป็นจริงคนก็คือรูปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นวัตถุกรรมของคนที่ชอบเขาเนื่องการชอบอาจจะชอบทั้งตัวคนแหละ ก็อาจจะชอบบางส่วนวิวัฒน์บาง ส, ส่วนส่วนส่งบางส่วนของเขาแต่ทีนี้ถ้าบกว่คุณหารแล้วก็ปรากฏบกับส่วนที่ชอบนี่มากกว่าเขาก็จะมองผ่านไอ้ส่วนที่เขไม่ชอบไปเหมือนเวลาทรงแสดงจึงส่งจําแนกไปตามลักษณะของอารมณ์เหมือนคำว่ากลมเนี่ยที่จริงก็คือ ไปนเน้นที่ตัววัตถุกรรมที่จิตไปกำหนดด้วยความกำหนัดแต่ปัญหามันอยู่ที่จิตกำหนัดมันไม่อยู่ที่ตัววัตถุกรรมวัตถุกรรมเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่แต่ใครจะกำหนัดหรือไม่กำหนัดเขาก็อยู่อย่างที่เขาเขาเป็นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างที่พระเจ้ารับสั่งว่า เธอทั้งหลายจงมาดูโลกมีอันตราการดุรัสชรตที่พวกคนเขาค้องอยู่แต่พวกผกู้รู้ไม่ค่องอยู่ธรรมะโลกคืออะไรโลกประการหนึ่งก็คือโอกาสสโลกคือดวงดาวทั้งหลายประการที่สองก็คือสัตว์โลกคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประการที่3มก็คือสังขารโลก เป็นหน่วยย่อยของคนของสัตว์ของสิ่งทั้งหลายและในขณะเดียวกันก็พูดถึงมนุษย์โลกเทวโลกและระมรรคโล ก, มมโลกแต่โลกเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปจะแยกประเภทกทับอะไรก็แยกไประเภแต่ในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ต้องแตกสลายไปกานกรอกของขมโลก จึงสามารถแยกแยะได้เยอะแต่ว่าโดยสภาวะของเขาแล้วก็คือสิ่งที่จะต้องแตกสลายเพราะในร่างกายของเราเองบางทีก็เรียกว่าอายตนาโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าโลกแต่ละโลกขันธ์โลกเรียกขันธแต่ละขันธ์เนี่ยว่าเป็นโลกหรือว่าธาตุโลกดินน้ำลมไฟอากาศก็เรียกว่าโลกเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า โลกมันเป็นกระบวนการธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งหรือจะเป็นปรากฏการณ์เขารธรรมชาติแต่การที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเกระเทืองลุ่มหงมัวเมาหรือไม่นเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นแหละมันกลายเป็นเครื่องผูกพันใจแต่ว่าตัวการสํากัญก็คือว่ากิเลสเนี่ย กิเลสเพ่งเกิดขึ้นไปกำกับผู้คงใจเนี่ยให้ใจมันไปกำหนดด้วยความกำหนัดเพราะเราเห็นหว่าข้อความเนี่ยจะทรงใช้เหมือนกันทรงใายคำว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในกามก็คือวัตถุ ก, การมนั่นหละพระเกศเสียงก์ยินรัตโพธิภัท ทีนี้ในในข้อต่อมาข้อความก็สงช้า ย, ย่างเดิมแต่หมายความว่าเปิดทรงเปลี่ยนจากกามมาเป็นร่างกายก็คือร่างกายตัวเองทีนี้ไอ้ตัวกามเนี่ยคือเป็นวัตถุภายนอกหรือเราเองไม่ได้พอมาถึงข้อที่สามก็ทรงเปลี่ยนพวกเนี้มาเป็นรูป เออถ้าจะต้องการแยกมันก็แยกได้คือหมายความว่ากามนั้นเมื่อในข้อที่สามได้พูดถึงรูกออกปเอาไว้เหมืนวัตถุ ก, กามมก็พูดเฉ พ, าะ เ, พาะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเทียแตยจริงแล้วเราก็แยกไม่ได้าก็บนๆก็อยู่แม้แต่กายเองเ็าจะเห็นว่าก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่รวมของเราหูจมูกกายใจ ตัวกายมันก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกฤินเป็น ร, รถเป็นปพลิตภัณฑ์สำหรับคนอื่นอย่างว่านายก็กระนางสาวขอเนี่ยรูปเสียงกรินรถสัมผัสของนางสาวขอก็คือเป็นวัตถุกรรมของนายก็ทีนี้รูปเสียงกรินรถสัมผัสของนายกอก็เป็นวัตถุกรรมของนางสาวขอ ตกลงว่าทั้งหมดเนี่ยที่จริงก็คือเรื่องของของขันพูดง่ายว่าคือขันที่เป็นที่ตั้งของความผูกพันเพราะนั้นเวลาพูดถึงทุกขที่ส่งแสดงว่าสังกิเตนะปัญจุปทานขันถาทุกขาเราโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมันถือมันในขันทั้งห้านี่ยยึดมันบอกของเรายึดมันบอกเป็นเรายึดมันเราเป็นตัวเป็นต น, ตนตของเราก็ะามก็ เป็นเหตุได้เกิดความทุกข์แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะงั้นถ้าลอยวางมันก็มันก็ไม่ทุกข์ก็ท่านนั้นเองแต่ว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพวกนี้มันผูกพันใจโดยเด่นว่าจิเลประเภทราคะประเภทตัณหาประเภทโลภะเนี่ยมันผูกพันใจมันไปเป็นเส้นเป็นสายแล้วมันแต่ตัดยากคือตัดได้ขาดได้ยากทั้งหมด ถึงให้ถามว่าประเภทโทสะล่ะโทสะก็บือรคันได้ผูกพันใจพอรนใจของการยึนสลัดให้หลุดมันก็สลัดไม่หลุดแค้นยังแค้นไม่หายโกรธก็โกรธไม่หายปูกโกรธเอาไว้ก็ยังไม่ยอบหายเพราะในข้อต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็กำนัดเพลิดเพลิพนชื่นชมยินดีนในสุขสัมผัสจากการที่ได้หลับนอน การนอนมากเนี่ยมันเป็นอาการของความเกลียดคราดในนี้เป็นอาการคล้ายทางกายทางใจเป็นความอืดเป็นความหนืดของกายแดีวว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นความต้องการของร่างกายเพียงแต่ว่าต้องรู้จักประมาณในการนอนเพราะในระดับหนึ่งเนี่ย ความหลับเนี่ยมันเป็นทำให้ชีวิตตรงนั้นน่มันสูญเปล่าไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ร่างกายได้มีการพักผ่อนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไปเราเห็นว่าถ้าเรามีการปลือล อ, อบรุ่มจิตใจได้ดีเนี่ย น, นะเวลาจะใช้ไปการนอนมันสามารถจะใช้แค่2ชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ มว่าฝึกจิตมาจนถึงจุดบกับหลับเลยหลับทุ่มทัวไปเลยเรียกอย่างลงสู่นิสารมหรืออย่างลงสู่ผวางนั่เป็นการหลับได้ลึ ก, กความกตักายที่จริงมันไม่มากหรอกแต่ว่าเราไม่ค่อยหลับจริงเท่าไหร่หลับไม่ลึกพอ เพราังครัมันข่าวเขเรียกอนอนไม่พอในที่นี้ก็สงใช้ข้อความเดียวกันนะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นการเสพสุขการเสพสุขคือเรานอนและเพลินกับการนอนก็เราอาจจะรู้สึกว่าสุขแต่อย่าลืมวา่าการนอนเนี่ยเป็นอาการทางอิเล็บทอย่างเด มันก็เป็นทุกข์กนะแต่ว่าเราจะต้องผัดเปลี่ยนไป น, นอนตลอดมันก็เป็นทุกข์นะนั่งตลอดก็เป็นทุกข์ยืนตลอดก็เป็นทุกข์เดินตลอดก็เป็นทุกข์เพราะในยบทตัวนี้ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล์คือยาให้เลยมากเกินไปแต่ตามปกติแล้วมนุษย์มันก็กนอนเยอะนะฮะที่เขาทาเป็นสถิติเอาไว้ว่า มนุษย์ใช้เวลาไปเพื่อการนอนในอายุข75เจ็ดสิบ้าปีนอนสัยี่สิบเจ็ปีก็เป็นเรื่องเฉลี่ยนะครับก็ไม่ใช่มาความมาทุกคนหลายปีมาแล้วได้อ่านประวัติของมาเษฐีที่เกาะฮ่องกงก็เป็นคนที่หนีปรกยบไปจากแผ่นดินใหญ่ แล้วเครือแตกก็ไหว้เข้าฟังเริม่มต้นจา ก, การขอทานในร่อนขอทานหลบๆส้นๆนอนข้างถนนแต่ในการต่อมาก็ทำงานเป็นคุรีรับจ้างใช้แรงงานแล้วพัฒนาตัวเองก็ เ, เรื่อยๆและระยะเวลาเป็น0ปกว่าปีนะเากลายเป็นเศรษฐีปรากฏว่าคนู้เนี้ทำงานวันหนึ่งนี่18ชั่วโมงไม่ใช่1ิชั่วโมง ลีหชั่วโมงเนี่ยแกใช้ไปทั้งการนอนทั้งการอาบน้าทั้งการกินทั้งการพักผ่อนและการเล่นกีฬาไปหาร่างกายอยูอย่ยที่หกชั่วโมงว่ากระไใช้ในการสองเดือนในการปลูกสมงเดือปลูกต่อเลยสมมติเราเขาต้องการตื่นที่สเนี่ยเขาก็ตั้งตีที่สแล้วก็ต่ออีกหนึ่งนาทีที่สี่หนึ่งาทีอีกเครื่องหนึ่งก็ที่สี่หนึ่งนาที หรือตื่นเขาก็จะรีบมันเราะเห็นว่าการใช้เวลาในการทํางานของเขาต้องปกติคนเราก็ทําประมาณรักแปชั่วโมงเองนะแต่เขาทาไปทั้งสิบแปก็หมายความว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาทำงานเกินคนอื่นไปถึงสิบชั่วโมงก็ แ, แสดงว่าในขณะที่คนอื่นเวลาผ่านไปผ่านไปสองวันเนี่ยเขาก็เพิ่งผ่านไป ถึงหนึ่งวันปริบาลงานเขาในหนึ่งวันเนี่ยเท่ากับอีกคนหนึ่งสองวันกว่าๆด้ทงไปแล้วก็ควรจะรวยดิการการปฏิบัติพรหมจร์เราก็มีลักษณะอย่างนั้นจนมีการพูดเป็นเอกลักษณ์เลยว่าสุปบุตรทางบุสันติสดาโคตมสาวกรเยสร้างทว่าจะรตโตจะนินะจังปัจลิเทศกิ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคู่ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ได้ดีแล้วก็ตื่นอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางคืนในกลางวันแต่ทีนี้แต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมันเกิดอาการที่สงใช้คำว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจบริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายหยิบของพิสูจผู้บริโภคอิ่มพอสมประสงค์แล้วประกอบความสุขในการนอนประกอบความสุขในการเอนประสุขประกอบความสุขในการหลับเองกายใจมันไม่พร้อมเขาเรียกว่าค้านกายค้านใจมันเป็นอาการอืดอังเดียวแล้วนี้จะเดีง่วงนอนอยู่บ่อย มัเกิดอาการหนึ่งเขาเรียกรลีในจิตคิดจิตไม่จะหดหูมันไม่กระปรีกกระปร่าไม่กระจับกระเฉงไม่พร้อมที่จะไปทำอะไรก็ตามมาปิดสุขในการนอนนานมาแล้วสมัยเป็นนักศึกษาอยู่มีเพื่อนรุปรูปหนึ่งท่านเรียนก่อนมาหลายรุ่นพอตอนปีสามเนี่ยมาทันกัน ท่านก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราไม่กล้าพูดอะไรก็เรียกท่านลงพี่แต่ว่าที่ทัดเด็ดขาดมากคือพออาจารย์เริ่มบรรยายในท่านหลับเลยแล้วก็ไปตื่นน้องนะจบชัมม่วโมงใครก็ไม่กล้าสะกิดไม่กล้าเตือนได้แล้วบอกโอ้มันมันยอดขดมากคือหลับได้ทุกสารการ แล้วก็แสดงว่าเวลามันก็หายไปเพราะกนหนอนผลเราก็เห็นกันได้ชัดว่าท่านออสื่อที่หลังก็ไม่ไม่ไมจบนะครับดังนั้นคนเหล่านี้จะไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเพียรเพราะอย่าลืมว่าลักษณะาการการไม่ง่วงเนี่ยตรงใายกำว่าปา ร, รักกรมะคือความบักบัน วายโมคือความพยายามบันหาภระกรรมโมคือมุ่งบากบันมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังทําให้สติสัมปัญ ญ, ญาเนีมันตื่นตัวเพื่อทํานองคล้ายๆกับคนขับรถนะโดยเห็นว่าสติสัมปัญญะความเพียรเนี่ยเขาจะต้องหนุนกขาอยู่ตลอดแล้วก็เผลอยบดที่เดียวก็ยุ่งนะ่ะคือสญญญติมันขาดพอหยุดเนี่ยแสดงสติมันขาดสัมปัญญะก็ขาดญญญาความเพียรก็เช็งะ เบรคไม่ได้รถรก็เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยยังไงก็ตามถ้าที่สัญยาความเพียรความอดทนความตั้งใจเด็ดเดีย่ยวความมุ่งมัน่นต่างๆมันต้องอยู่เราจะเข้าใจชื่อเขาหรือไม่ก็ตามเะี่เขาจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ช่างาขา่าวแต่ว่าสภาประธรรมหล่อนี้ต้องอยู่ในกา ร, รดํารงชีวิตของคน ผลแต่คนที่มีลักษณะอย่างนั้นก็รับสั่งว่าย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเปากิเลสเพื่อความประกอบหนึ่งๆเพื่อความมาทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นหมายความมาอยู่ในสภาพเดียวกันหมดเลยนะทุกคนเนี่ยคนที่เรียกแข่งสงสัยในพระพุทธเจา้าเรือกแข่งสงสัยในพระธรรมเรือกแข่งสงสัยในพระสงฆ์เรียกแข่งสงสัยในใจสิกขา แล้วก็เป็นผู้มากเป็นด้วยความโกรธกระทบกระทั่งอะไรนิ ด, นดหน่อยก็โกรธแล้วก็ต่อถึงจิตที่มากำหนัดในในกามกำหนัดในกายกำหนดในรูปแล้วก็เกียจคร้านชอบนอนมันคล้ายๆกับคนละเรื่องนะฮะแต่ยิงเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าพวกเครื่องแปร่งสงสัยสี่ข้อแรกเป็นอาการของมิจฉาคือความเครื่อแปร่งสงสัย ข้อที่ห้าความโกรธกระทบกระทั่งหมุดงหงิดไม่พอใจเป็นอาการของโภสะและในการต่อมาก็เป็นอาการขลุกขลัก ร, ราคะโดยเช่นว่าอาการที่ที่ชอบนอนเนี่ยมันก็ที่จริงก็คืออาการของราคะคือความกัมหนัดความยึดบิดในในสุขสัมผัสสัมผัสในการนอนนอนสบายบนเตียงอบอุ่น ไม่ปรารถนาจะลุกขึ้นมาแล้วว่าต่อไปต่บางจะติดติดได้กันนอนทีนี้คนทนแ้ติดติดสุขโดยการ น, นอนมันก็จบแล้วนะเงินที่จริงก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วตํอไปมันไปไหนไม่ได้หรอกก็นอนเป็นกุมกันทดน้าอย่างนั้นเองเมื่อหลายปีมาแล้วนะ่จริงก็สามสิบปี ถ้าทมโนนึกวาเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าต้องเกิดเฉพาะที่อินเดียทำไมไม่เกิดที่อื่นบ้างอรูชายยี่สิบแปดพระองค์ย7ิบเจ็ดพระองค์งที่แล้วเนี่ยเกิดทีท่ชมพูทวีปทัง้งนั้นลแล้วก็ เ, เคยเจอว่ า, าพระนกพินก็เคยพูดเขาบอกว่ า, าคุณต้องมาอินเดีย แล้วคุณจะเห็นว่าคนอินเดียเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องมีโรฮเจยามาปลูกแลาก็ยอดนักหลับเลยต่อมาไปอินเดียไปเจอที่สนามบินไอ้ไม่ใช่คือ่าอากาศยานสุการกต้าเนี่ยคือฮาวาร่าอะไรเนะี่ยในขณะที่เรารอแดีวตอนนั้นไปไปไปอยู่สถานีรถไฟละในขณะที่เรารอขึ้นรถไฟเนี่ย เห็นแขกก็นอนตำรวจเจ้นที่ก็กวาดขยะเขาราดน้ำมาเขาล้างด้วยแล้วก็กวาดน้ําไปแฉบางคนก็หนึ่งจะนอนนะแกนอนพอราไปถึงแกก็กลิ้งหนีน้ําไปถึงแกกลิ้งหนีน้ำไปถึงแกลิ้งหนีเจ้าถึงจดหนึ่งแกคงขี้เกียจนะแกนอนอยู่งั้นไงน้ําไหลมาติดอยู่ที่แกเดินนอนอยู่างง่าย คนกวาดไปจนถึงจุดน้ําก็กวาดน้ําแล้วก็หลบไปเลยแล้วก็ไปนีพนธ์นมกันดีแต่เราก็เออก็น่าดูนะนอนขนาดนี้ก็น่าดูเพื่อนคนที่จิตไม่เป็นอย่างนี้ก็ทรงรับสั่งว่าข้อที่จิตของภิกษุไม่น้องไปเพื่อแต่ต้องต้องเข้าใจว่าคําว่าภิกษุเนี่ยหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายเนี่ยที่จริงแล้วก็การงานทุกกรณีนะฮะ คืออย่าอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นการปฏิบัติทางจิตอย่างเดียวคือสติสมัญญาความเพียรความอดกลั้นความอดทนความตั้งใจมั่นมันต้องมีในทุกกรณีไม่ใช่ว่าต้องเข้าวัดฟังธรรมำจำศีลแต่ก่อนจึงจะมีธรรมะเหล่านี้ที่จริงเราต้องมีตลอดแหละเรามีไม่มากพอมันก็เกิดอาการทช่ี้ ในข้อนี้ที่ยริงเป็นอาการของความเพียรล้วนๆแต่ว่าลักษณะของความเพียรเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอาราัมภะคือริเริ่มริเริ่มแล้วก็บากบั่นมุ่งมั่นไปมีความเพียรที่สืบต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง อย่างที่เราคุ้นๆนะวิเดียนาดูกรรมสิทธิคนร่วมทุกได้เพราความเพียรก็แสดงความเพียรนองก่อนเรื่องถ้าไม่ต่อเรื่องมันก็ไม่ถึงจิตมาปลายทางเพราะฉะ้คนเหล่านี้จะเป็นคนไม่พร้อมเช่นเดียวกับพวกทั้งอะไรละห้าห้าหกแต่ประเภทแล้วนะฮะแต่ประเภทแล้วแล้วก็ในที่สุดก็ รับสั่งว่านี้ชื่อว่าเป็นเครื่องผูกพันใจประการที่4ที่พิกษุยังถอนไม่ได้แล้วให้เราตั้งเกตราพิสูตร2สองพิสูตรที่ ท, ท, ที่กล่าวมาเนี่ยจะมีการให้รายละเอียดในด้านในด้านลบก่อนแลังจากนั้นก็จะพูดในด้านบวกโดยก็พิกับ หมาความว่าตัวธรรมะเนี่มันจะพิกรัเรเฉพาะตัวธรรมะแต่นี้ก็พูดเรื่องอกุศลอย่างที่บอกแล้วว่าอก็จริงก็คือโรคโกรธหลงเพียงแต่ ว, ว่าหลงเนี่ยมันอยู่ที่ตัววิชิกิชาแล้วต่อมาก็เป็นโกรธต่อมาก็เป็นโลคเป็นราคะจากนัก้นก็ทรงแสดงว่าอีกประการหนึ่งภิกษุจักประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ประนีตินนะ เป็นะเบนว่าในแง่ของโยมเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เพื่อต้องการสวรรค์ไม่ไปเถอะไม่ได้ว่ากันแต่ตามปกติแล้วเราก็พูดระดับนี้ระดับสิ่งธรรมจัญญาเพื่อความสุขในปัจจุบันกับความสุขในโลกหน้าก็จะพูดเรื่องสวรรค์ยังไม่ค่อยเน้นที่ผ่านเท่าไรแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาถือว่าการประพฤติพรหมจรรย์โดยปรารถนาที่จะเป็นเทพเจ้า โดยที่จะยกยอดไปอยู่ท่ามกลางเทพธิดาเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันจิตไม่เศร้าจิตเศามองเาเรียกว่าเป็นพรหมจันทร์ที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้การเกี่ยวกับอย่างเงี้ยไม่แม้หลุดพ้นจากทุกข์หรอกเพราะอย่างอย่างนี้ก็ไปติดอยู่ที่สวรรค์นั่นแหละทนี้ปัญหาต้องการว่าพรหมจันทร์ รมรจันแปลว่าการประพฤติเสริฐหรือการประพฤติอย่างข่ม เ, เป็นวิถีชีวิตที่พยายามจะยกระดับพฤติกรรมตัวเองให้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสแต่มีทัศณะเป็นการไต่บันไดขึ้นไปก็ไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่าการะโจนพูดปราดไปได้นะ แล้วแนตรงนี้มันก็เริ่มต้นมาจากวิถีชีวิตวิถีสังคมธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นการแสดงตนเป็นคนมีสมารา์คารวะต่คนทั้งหลายแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เป็นสาธารณะประโยชน์สาธารณะกุศลก็ควรนขวายช่วยเหลือในกิจการงานที่เหมาะที่ชอบที่ควรของบุคคลเรานั้น แล้วก็ต่อไปก็เป็นการให้ทานทีนี้สีเนี่ยบางบางบางทีก็ยังไม่ออกถึงตัวนั้นก็ได้ฉัว่าเป็นสามีเนี่ยมีความเขาเรียกยินดีเฉพาะพัญญาตัวเองพัญญาก็มีความจโดนรักพักดีในสามีตัวเองมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันมีความสุิสสจสใจต่อกันอันนี้ก็พรอาจารีฮะแล้วก็ไปกันไปเป็นสีห้า แลต่ขึ้นไ ป, ปนสีแปดก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นพรห ม, มิหารซึ่งก็ยากขึ้นแล้วก็ข้าไปที่อะไรยามากสรุปรวมว่าการเจริญกุศลทั้งหลายการเจริญกุศลทั้งหลายไม่ความีการเจริญกุศลทั้งหลา ย, าาลายนี่มันก็เริ่มเนสีกุศลเพราะในความเป็นสีน่าจะเห็นว่ามันเป็นการงดเว้น รดเว้นจากการกระทําส่วนก็ถือว่าตัวนี้เป็นการกระทําดีในพุนื้ต้นส่วนการให้ทานนั้นที่จริงแล้วก็จรินกุศลไปแล้วไะทำความดีไปแล้วแต่โดยเนื้อหาสาระก็ผู้คมวาจารย์เนี่ยคือการลดเกลียกัน ในว่าจะเป็นภูมิปัญญาข้อใดก็ตามสมม ต, ติวัเนี้สมมติสามีพัญญาสามารถที่จะรักษาความมีสุดใจต่อกันและกันได้ไม่นอกใจกันเนี่ยเธอต้องกํากับราคาได้เนธะอต้องกํา ก, กับราคาของเธอได้ราคาเธอไม่มากเกินไปถ้าราคาเธอมากเกินไปความต้องการทางเพศมากเกินไปเช่นว่าสองสามีพัญญาคนหนึ่งต้องการทางเพศมากคนหนึ่งมีความต้องการตานะ่าเนี่ยถึงุนหนึ่งคนหนึ่งก็องนอกใจ มันจะต้องมีการกำกับควบคุมไม่ให้ลุกกำหนัดแก่ราคะจนถึงกับมีนอกมีในในคู่ครองตัวเองเห็นไหมที่จริงก็คือหมายความว่าจิตมันจะกำหนัดในกามลดลงในกายลดลงในรูปลดลงถ้าเราทึ้งในความสุขจากสัมผัสต่างๆนี้ลดลงและยังการเสพกามมันก็เป็นสุขสัมผัสอย่างเดี้ มนก็สร้างอสส า, าทคิอความพอใจความยินดีให้แก่ผู้เสพระดับแต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณาเห็นโทษมันก็มีการเสียบผิดแต่ถ้าเข้าใจความจริงว่ากรมเนี่ยที่จริงก็ให้สุขน้อยมันมีทุกข์เยอะมาแล้วก็พยายามองในแงม่มุมกกว่ามีโทษไอ้จิตใจก็จะลางจางคลายมันเท่าไปจาก ความหมกบุ่นในในกามก็ดีในรูปก็ดีในกายก็ดีนะทีนี้การปรารถนาเป็นเทพเนี่ยคือถ้าเราคิดคือความคิดตรงนี้ที่จริงเอามาคิดมาตั้งแต่บวชเป็นสาแรกนะก็ก็นั่งกล่าวธรรมะคุยธรรมะที่จริงคุยธรรมะไม่ถึงกัเทศเพราะเราก็บวชไม่กี่วัน ก็มีพระระดับครูบาอาจารย์ท่านนั่งใกล้ๆแล้วก็อธิบายขวางว่ายมคิดดูซิว่าโดยวัา เ, เกิดเป็นเทพประบุตรกรดีเทพธิดาก็ดีโดยเฉพาะที่พูดมากเนี่ยพูดเรื่องเทพประบุตรมีนางเทพอสอนห้าร้อยบ้างพันบ้างหรืออย่างพระเสียริยเมตใจเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าบริวารหน่อยมากขนาดน้ ในเรื่องมาลายเทวเทนะเล่าถึงเทพธิดาที่ห้อมล้อมพระศียงไมใส่โพธิสัตว์มาไหว้พระกุลามณีเจดีสวรรค์สีโกดก็สีท่ทีก็หมายความมาด้าละสี่โกฎอยู่ข้างหน้านี่นำไปข้างหน้าสี่โกดอยู่ข้างข้างนี่สี่โกดอยู่ข้างหลังในี่ยสี่โกดทีังโกดถึงทไหร โกดึงก็เท่ากับสิบล้านพอสี่โกึก็คือสี่สิบล้านทีนี้สนะี่สี่สิบหกนจีด้านในสิบหกบูมมหาศาลมากเลยคือประชากรเป็นประเทศประเทศเลยนะแค่เรายังนึกว่าเออมีไว้ทำอะไรมางมายแก่กองอย่างนั้นบุ่มวายปล่าๆคือเราไม่คิดว่ามันมันเป็นความคิดแต่แนวฮารเบ็ม ควคิดแนวการมาสู่สาลีการใน ย, ยุคคือต้องการปนปลื้มต้องการชฉยเฉยอารมณ์ตัวเองแต่ว่าเออนึกว่อยู่อย่างนั้นได้ยังไงเดี๋คนไม่ได้คิดอะ่ะเราอยู่ยนั้นอยู่ทําไมอยู่ไปได้ประโยชน์อะไรคือยังมองให้เห็นสาระแก่นสาระอะไรจากการอยู่ในแวดบุงของเทพพิดาเป็นพันพันร้อยรพันพันเนี่ยมันได้สาระระโยชน์อะไร หลวงพ่อที่จะนั่งข้างหลังพอพูดเสร็จท่านบอกว่าเออคุณนี่คิดวิกลดีบอกไม่ใช่วิกลดหรอกคือถ้อให้เรื่องที่ไม่เอาอ่ะให้เราเป็นเทพประูอยู่งั้นเราไม่เอาอ่ะมันเป็นชีวิตที่ร้สาระมากก็เรียกว่าก็เสียชาติเกิดก็ะํำไปแล้วความคิดตรงเนี้ย เราก็เพิ่งมาเจอในเรื่องเมธุนสังโยชน์ก็จเจอเมื่อเรียนคํรทันโทอ่ะมันอยู่ในธรรมิภาคปเีที่สองวิชาทรงแสดงว่าไอ้ข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายกับ ข, ข้อที่เจ็ดเนี่ยแล้วคนที่ประพฤติปรมาจั่์เพื่อปรารถนาเป็นเทพบุตรอยู่ในเทปติกาอย่างใดอย่างหนึ่งท่ามกลาง การห้อมร้องประเทวทิดาทั้งหลายเนี่ยหรือแต่ละข้อเนี่ยชื่อว่ารพระพุทธพโมจันทร์ไม่บริสุทธิ์เพราะท่านปาชนลองสังเกตนะว่าจิตมันถูกปรุงด้วยกามมีตกวมันเป็นมโนโทุจริตแสดงไม่สงบเหมือนกันแต่แทนที่จะไปกำหนดเพลิดเพลิพนกับอารมณ์ในปัจจุบันอย่างอย่างสีข้อแรกสีข้อแรกมันกำหนัดในกาม กำลัดในกายตัวเองกำลัดในรูปข้างนอกแล้วก็กำลัดเพื่อเพลินในความสุขที่เกิดขึ้นจากการนอนคือคือคือเป็นสัมผัสในขณะนั้นนั้นแล่ว่าการปรารถนาเป็นเทพูเทพธิดาเนี่ยมันเป็นคว้าชัดหน้าคือต้องการสวยสุขอยู่ท่ามกลางเทพธิดาห้าร้อยมันที่เป็นพันเป็นหมื่นอนี่ยที่บอกเนี่ยของบริวารบริสิานนร้อยห้าสิบอ่าร้อยหกสิบโดนะฮะ ร้กสิบล้านมันจะร้อยหสิบกรหกสิบมากว่ามหาศาลประเทศไทยเรามีประชากรหกสิบสามล้านก็วุ่นจะตายแล้วบริวารภาษีอ่านมีตั้งร้อยหกสิบล้านการหนักกันนะแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบใครจะพอใจในเรื่องแบบนั้นอันนี้เราก็เห็นว่ามันพเกินไป เพราะถ้าเรามองถึงว่าหลักการที่ท่านก่าอุปมาแน่นอนว่าเป็นอุปมาเทียบเคียงมอนคงจะไม่ลงตัวขนาดนั้นว่าบรรดาคนทั้งหลายในโลกเนี่ยมันเปรียบเหมือนโครตัวหนึ่งคนที่ไปบังเกิดในสุกติเหมือนกับเขาโคสองเขาแล้วก็ไปทุกติเนี่เหมือนกับขนโคอันนี้ก็เป็นอุปมาที่แรงไปหน่อยนะครเพราะว่า แต่จริงๆแล้วสภาพจิตที่มันเป็นเหตุแห่งสุขติเนี่ยในพระมรจันทร์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุแห่งสุขติทั้งนั้นเลยแล้วเราจะเห็นว่าก็ประมาณประมาณประมาณเจ็ดิ้าเเซ็นเนี่ยมันมันเป็ น, ปนวิถีชีวิตอยู่เช่นการมีสมมาคา ร, รว่าอ่อนน้อมต่อบุคคลทั้งหลายมีน้ำใจต่อบุคคลทั้งหลาย ซื่อสัตย์ต่อสามีซื่อสัตย์ต่อพัญญาที่ตรงต่อพัญญารักษาศิลห้าแล้วก็รักษาสิบแปดแล้วก็มีการให้ทานมีพรมิหารอยู่ระดับหนึ่งแล้ววิถีชีวิตตัวนี้ที่ยิงมันอยู่ในรินมบั๊อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเข้มข้นอายาบกลางละเอียดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็สรุปว่าเป็นเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมเพราะฉั้นตรงนี้มันมันถ้าเราดูดูธรรมดาเนี่ยมันเป็นกุศลแต่กุศลที่นำไปสู่การวนอยู่ในสังสารวัตคือไปไปผูกพันอยู่กับความเป็นเทพประุฒิ ท, ที่ดา ทั้งที่ตัวเองประพฤติปรมาจรย์เพื่อความสํำรอกเพื่อความจางเพื่อความคลายเพื่อความสงบระงับเพื่อความดับไปของกิเลสในข้อนี้ทรงสแสดงว่าภิกษุจากประพฤติปรมาจักรเพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเท พ, พยยเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีนั้นนี้ด้วยพ่อวัดอันนี้ด้วยตาบะอันนี้ หรือด้วยพรมจรร์อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เราทำอะไรนะฮะเราก็ปรารถนาการมาเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาใน ส, สวรรค์ให้ทานก็ปรารถนาอย่างนั้นแต่สาสีนก็ปรารถนาอย่างนั้นแล้ว่านลองสังเกตมันมีโลภอยู่มีโลภคือมหมายความว่าคล้ายๆกับโอนย้ายโลภจากเช่นสมมติเราให้ทานเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น เป็นสวรรค์แน่ น, นอนในแง่สังสารวัตเนี่ยมันไม่แปลกหรอกคือตบแแทงภพชาติมันนี้ขึ้นแต่ตรงนี้ทงแสดงแก่พิสูจแล้วก็ยกขึ้นอีกระดับหนึ่งอย่างที่เคยบอกว่าพระธรรมเทศนาทั้งหมดของพระเจชานี่จะมีพระอาหารหันต์เป็นยอดคือจะมุ่งพัฒนาคนเข้าสู่กระแสมรรคนี่ผ่าน ทั้งหมดเนี่ยถูกเนียวรั้งไว้หมดเลยเราก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้ที่จริงก็คือโลภาราคาเหมือนกันถามว่ามีโมหะไม้ก็ยังมีโมหะเพราะว่ามันมีอาการคล้องติดเป็นความปรารถนาที่คอยเกิดอาการคล้องติดอยู่ในสังสารทุกข์เป็นความทุกข์ในในแง่ของสังสารวัฏคือลักษณะของการหมุนวน มันแต่ละข้อที่อ้างเนี่ยมันเป็นความดีใช่แต่ความดีที่จะเนีรั้งตัวเองให้หมุนวนประสบความทุกข์อย่างที่ทรงทรงเปล่งอุทานตอนตรู้ใหม่ๆเนี่ยทรงใช้คำว่าหลุดขาชาติบุญนับบุญางการเกิดท่านรางมันก็เป็นทุกข์สัมาักเกิ ด, ดบ่อยๆก็ทุกข์บอ่อยๆ เพราะฉะนัถ้าจะสลับให้หลุดมันก็ต้องท ำ, ทำลายพวกนี้พวกนี้เลยกลายเป็นพันธนาการอีกระดับนึงผูกพันใจคนไว้เป็นเครื่องผูกพันใจคนไว้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าแล้วก็ไปนิ่งขึ้นหมนายความแทนที่จะข้องติดในมนุษย์สมบัติไปข้องติดที่สวรรค์สมบัติก็ย้ายไปเป็นความสุขในกามที่มันประนีบเขาเรียกว่าทิพยสุข แต่เมื่อมันเป็นสังขารเนาะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเวทนาามมันมันก็เข้าสู้กดเ ข, ข้าสู่กฎเดิมดังนั้นจึงรับสั่งว่าทุกคนพิสูจน์ต่างหลายจิตพิจิตของพิสูจผู้จักประพฤติปรมจัจารย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยสีนั้นนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตราบะอันนี้ด้วยปรมจัจารย์อันนี้ ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผ่ากิเลสเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นอาการของกิเลสเราเหว่ามีคนเป็นมากที่เสียดายจะละกิเลสให้หมดคล้ายเก่งใจกิเลสอยู่ก็ไม่กล้าลายหหมดเพราะฉะนั้นในระดับในระดับของผู้ที่จะควรไปได้ไกลกว่านั้นเพราะฉั้นไปเป็นหยุดอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็อาจจะพักสังสารวัตพื่อดีกว่านระกดีกว่ามนุษย์นะฮะแต่ว่าก็คล้องติดอยู่ในสังสารวัตรดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ย่อไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากินเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นทิงนี้ข้อที่จิตของพิกษุไม่น้อมไปเพื่อดังกล่าวเนี่ยเพื่อคุณธรรมดังกล่าว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 เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนลักษณะของอารมณ์อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของเริ่มมาจากวิจิกิจฉานะเริ่มมาจากความเครื่องแปรสงสัยแล้วก็ต่อมาก็ออกที่ความโกรธออกมาก็ออกที่ความกำหนัดออกที่มาความเพลิดเพลินเรียกนั้นที่ราคานะน่ยความกำหนัดเดื่อมากความเพลิดเพลิน เพื่อเพื่ในการนอนเพื่อเพื่ในการดูรูปเพื่อเพิ่นในการฟังเสียงเพื่อเพิ่นในการดมกลิ่นเพื่อเพิ่นในการลิ้มรสเพื่อเพื่นในสุขสัมผัสทางกายและอย่างเนี่ยแล้วก็ในร่างใจยก็ทั้งหมดหรือถ้าเราดูง่ายๆนะเราดูสมมุติเราจะต้องการเดินไปที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มีการเล่นการแสดงอยู่ริมถนนเราก็สนใจนะหยุดดูเลย อย่างบางครั้าง่าวเนี่ยมันเกิดปัญหาบนถนนเพื่อมีกิจกรรมอะไรอยูดินถนนแล้วคนเกิดสนใจชะลอรถดูแล้วก็เลยก็ติดกันเป็นแถวพวกข้างหลังไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าพวกข้างหน้ามันชะลอพอชะลอรถก็ชะลอหมดเลยข้างหลังก็ชะลอด้วยทีนี้ถ้าคนข้างหลังมาอย่างสนใจทจะดูสนใจจะดูสนใจจะ ด, จจะดูรถก็ติดกันเป็นชั่วช่วโมงได้ นบนเส้นทางแห่งสังสารวัฏอันยาวนานเนะี่ยในแง่ของพระพุทธศาสนามุ่งที่จะให้คนอย่างน้อยประจางคลาจากเกิดระดับที่จะต้องตกนรกให้ได้ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายจะทอย่างไงปิดประตูนรกซะก่อนแต่แน่นอนว่าถ้าเรายังเป็นสามัญชนสังสาวรวัฏันเสียง คือถามว่าเราปิดได้ไหมมันก็ไม่แน่เพราะเราไม่รู้ว่าสภาพจิตก่อนจะดับนั้นคืออะไรเรืการอะไรจะเกิดขึ้นเรากระมนดไม่ได้เรารู้ไม่ทันอย่าลืมว่าสำหรับสามัญชนแล้วเนี่ยยิ่งเรากระทำความดีจิตราิ่งประนีตเนี่ยแล้วมันจะรังเกียจบาปลึกซึ้ง แค่ๆคคนแต่เนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านเรียบร้อยเนี่ยแม้แต่ว่ามีจุดอะไรบกพร่องสักจุดหนึ่งก็รังเกียจละตรนี้จึงมีปัญหาว่าจิตทิประณีตเนี่ยบางทีมันทำให้สกปรกได้ง่ายและถ้าท่านเกิดรังเกียจใจท่านแหนงใจขึ้นมา ก, ก่อนจะดับเราเคยปิดผ้าแต่งนั้นแต่งนี้ทัทง้งๆที่อคนทั่วไปเขาไม่เหนียวหรแต่คนที่จิตประนีตเป็นเหนียว แล้วจะมีรังใจท่านไปตกปบายก็ได้เพราะในการกากับควบคุมจิตที่ผู้เจ้าสูงใช้คำคำยาวหลายคำนะเราจะเห็นว่าแดีวทั้งหมดมันมันเป็นเรื่องความเพียรสติสมัชัญญะขันติสัจจะอธิษฐานก็มีวความต่อเนื่องเราสังเกตว่าคำทุกข้อเนี่ย ท, ท, ท, ทุกข้อจะเหมือนกันเลย ในความว่าวจิตของพิสษุน์ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องผากิเล่เพื่อความประกอบหนึ่งเนืองเพื่อความความติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นอย่างนี้แล้วข้ออื่นก็จะใช้คำเหมือนกันเพราะการก้าวไปสู่ผลทางจิตเนี่ยมันความเพียรจะต้องต่อเนื่อง แล้วความเพียรมันหย่อนขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะล้าหลังโอกาสที่จะถอยร่นโอกาสที่จะตกลงมาเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายาเสมอไปเพราะศาสนาจึงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาเขาเรียกวิริยะวัตถีือกล่าวสันเสริมความเพียรพยายามยกย่องคนที่ใช้ความเพียรพยายาม พระเจ้าสรงเป็นแบบอย่างอย่างสูงสุดให้เราเห็นว่าประเุงนจุดหนึ่งเป็นรูปของสัตยาธิฐานพรเจ้าตรุษหลวงกระหมาอะพัชานก่อนจะ ส, สรู้เนี่ยตนตั้งประเทศไทยเดียวแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเคยแรรงไปอย่างเหลือตนังเอง็นกระดูกกรามถ้าหากว่าไม่สามารถบรรลุคุณพิเศษได้ก็จะไม่ยอมลุกจากอาัตตะแลวก็ สัตยาธิ่ผานหรือว่าเจตรุรงการประธานเหล่าเนี้มีบ่อยที่นํามาสอนที่สุดเราะบางครั้งบางคราวมันชักเขยื้อกันอย่างแรงภายในใจกิเลสมันก็มีกําลังทำมากก็อ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยสู้ไม่ได้ชักเยอะกันอยู่เพราะงั้นมันต้องเพิ่มปริมาณของความเพียรเพิ่มปริมาณสติเพิ่มปริมาณของปัญญาเพิ่มปริมาณขันติเพิ่มปริมาณอธิษฐานเพิ่มปริมาณสัจจะขึ้นไป เพื่อต่อต้านแรงแดงดันของกิเลสอย่างน้อยก็ย้ายถึงก็ถอยร่นไนแล้วกันถห้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากหมหาวิทายาลัยศรีวุฒุในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอกงามไยบูรณธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกั น, นสวัสดี